ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ําได้ในสมัยที่ร้อน358สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงไม่ยอมอาบน้ําในสมัยที่ร้อนในสมัยที่อบอ้าวจำวัดทั้งๆ ท, ท, ที่เนื้อตัวยัยงชุ่มเหงื่อจีวรก็ดีเสนาะสนะก็ดีเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่ถึง ครึ่งเดือนเราอนุญาตให้อาบน้ำในสมัยที่ร้อนในสมัยที่อบอ้าวได้แล้วจึงรับสั่งให้พิสุจทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้